มันคือทำมันคือการอธิบายทาหลังฉันอาหารเช้าตามเวลาหัดเคลิบบ้างเกิดจากการสนทนาก่อนหน้านี้ก็เข้าช่วงเวลาของการอธิบายหรือพูดคุยกันหรือว่าสนานทากันหลังฉันอาหารประเด็นที่จะพูดวันนี้มีอะไร คนดูของเรามันมีไม่เยอะนะไม่มีใครถามอะไรเข้ามาคนดูในในนีม้มียมีกดไลค์มานะอา้าวขนาดนั้นเลยแล้อยังไม่ทําอะไรเลยหรับ อ, <c oughs> อยากจะให้การศูนา์ธรรหลังชั้นนี้ดำเนินไปอย่างนี้อยู่บอคอมเมนต์หรือถ <c oughs> าอา่า ส่งอะไรเข้ามาในเครื่อง น, นี้ของคูน้องว่ามีความเย็นกันอย่างไรสนธนาทำหลังฉันหรือไม่ส น, ส, ส, นสนหรือไม่สนหรือไม่สนจะมีการรับชมรับฟังกันหรือเปล่าอยากจะให้การสนธนาทำหลังฉันออกไล์ออกไล์สดทำเนี้ก็ บอกๆ ก, กันมาคือทักท้วงกันมาได้บอกกันมาได้ว่าไม่อยากให้มีก็กระวากันมาได้ก็ไม่เป็นไรคือยอมรับฟังสเสมอ <c oughs> เป็นการสนทนาที่ไม่ได้เป็นกิจจรรมศาสนาไม่มีการแสดงความเป็นกิจจรรมศาสนเป็นรูปแบบพูดอย่าง น, นี้คุยอย่างนี้นั่งอย่างนี้พูดไปด้วยจีบมันมัดไปด้วย และบางครั้งก็ต้องอยู่ในท่าที่ไม่ชํางวงบางอย่างสิ่งที่จะได้พูดได้สนทนาทํากันในเช้านี้ก็ในฐานะของพระธิถุซึ่งมีหน้าที่ในการบอกสอนหลักธรรม ในการอธิบายหลักธรรมชี้ทางให้คนได้รู้และได้้าใจในหลักธรรมคำว่าหลักธรรมมันคือหลักความจริงทีนี้หลักความจริงนี้มันถูกตีความหมายไปต่างๆนานาคำว่าตีความหมายไปต่างๆนานานั่นคือตีความหมายไปตามความเข้าใจของคน การตีความหมายไปตามความเข้าใจของคนมันบ่งบอกให้ได้รู้ว่าหลักแห่งความจริงหรือว่าหลักธรรมมันไม่มีหลักที่ว่าไม่มีหลักเพราะคนใช้ความเข้าใจของตนไปเป็นหลักแต่ไม่ได้ใช้ตัวของหลักธรรมเป็นหลักการใช้ความเข้าใจของคนเป็นหลักโดยที่ไม่ได้ดูหลักธรรมหรือไม่ได้ยิงหลักธรรมนั้นมันเลยทําให้หลักธรรมนั้น เป็นหลักเหมือนไม่มีหลักแต่ก็มีหลักมีหลักของหลักอยู่แต่คนไปตีความตามขอ้อเข้าใจนั้นเองมันเลยทําให้หลักนั้นเสียความหมายไปอย่างเงี้ยการนําความหมายของหลักทำไปตีความหมายโดยความเข้าใจของตนนั้นมันเกิดเป็นปัญหาในเรื่องของการเขาพึ่งปฏิบัติตามหลักธรรมที่แตกตา่างการปฏิบัติที่แตกตา่าง ทำให้เกิดความเข้าใจที่แตกตา่างความเข้าใจที่แ ต, ตกต่างต่อให้เกิดความสับสนในบุคคลผู้เข้ามาสู่ศาสนาในภายหลังคือมาเรียนรู้มาศึกษาเรื่องราวตางๆขอสอนในภายหลังว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรเป็นข้อเท็จอะไรเป็นข้อจริงอะไรเป็นความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรเป็นความสงสัยและความสงสัยนี้ก็เกิดขึ้นมาแม้ กับอาตมาเองในระยะเวลาแรกๆที่เด็กก็มาสู่การปฏิบัติก็สงสัยมามันอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่อะไรมันคือไม่ใช่แล้วหลักมันอยู่ที่ไหนตรงนี้เองที่ทําให้จะต้องพูดหรือก็อธิบายกันแล้วก็ทํความเข้าใจกันเพราะว่าหลักธรรมันเป็นหลักหนึ่งของาศาสนาทางพุทธศาสนาแต่ในทางพุทธศาสนา แน่จะเก่าสอนเรื่องหลักธรรมที่ซึ่งเป็นหลักที่ถูกสื่อทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลักธรรมนั้นก็มีหลักกฎเกณฑ์อันหนึ่งอยู่ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาซึ่งหมายถึงว่าแม่หลักธรรมนั้นจะเป็นหลักที่แน่นอนคือเป็นหลักแห่งสจัจจะแต่หลักแห่งสัจจะนั้นก็เป็นอนัตตาอนัตตาคือว่า ไม่มีความตายตัวไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีอะไรตายตัวแต่หลักที่พุทธเจ้าทรงสอนนั้นมีความตายตัวเช e. ่ programs programs program. นทุกสรรพสิ่งแ mhm. ปรปรวนอันนี้เป็นสัจธรเป็นความจร <ague legitimate. S 2> <coeur> ิงเป็นหลักหลักของกฎเกณฑ์ธรรมชาติเราจะเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามความแปรปรวนไม่ได้เป็นไปตามความเข้าใจของคนความแปรปรวนก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งความแปรปรวนหรือว่าอนิจจัง เปลี่ยนแปลงแปรปรวนแน่นอนคนจะเข้าใจไม่เข้าใจไม่ได้เป็นปัญหาแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าคนเข้าใจไม่ถูกในเรื่องความแปรปรวนของวัฏจักรและสรภา่งนี้มีความไม่คงคนถาวรหรือว่าอยู่ในสภาพตนเองไม่ได้เช่นมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนไปในทามกลางแล้วก็เสื่อมสลายไปในที่สุดมันเป็นลักษณะของการไม่สามารถ คงที่อยู่ในตัวของมันเองนั่นเป็นบทหรือว่าเป็นหลักแห่สัจจะหลักแห่สัจจานี้หากไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนก็จะไม่มีใครสอนอีกเลยในโลกมีแน่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่สอนในเรื่องนี้เรื่องหลักศัจจานี้หรือมีก่อนหน้านี้ที่สอนกันก็มีอยู่ผู้หนึ่งที่วงทรงกลัาถึงผู้นั้นเรียกว่าอารักศาสตา อารักขาสัจดาพร่ำสอนสิทธิ์ของตนอารักขาหามพร่มสอนสิทธของตนอยู่เสมอว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เทีย่ยงชีวิตเป็นของที่ไม่ยังยืนชีวิตมีความแตกสลายและแปรปวนอยู่ทุกขณะพวกท่านทั้งหลายจงหยาประมาทพึงเป็นผู้ประพฤติธรรมให้ทานรักษาศีลบาเพ็ญบุญกุศลเมื่อมีโอกาสอย่าปล่อยให้โอกาสล่วงไป โอกาสที่เราทำสิ่งที่มันไม่ดีมันมีโอกาสอยู่ตลอดแต่โอกาสในการทำบุญอย่าให้ลวกไปได้เฉยรีบเอาโอกาสนะั้นมาตั้งไว้ในในจิตแล้วก็น้มใจไปในบุญกุศลแล้วก็จะทําบุญกุศลในโอกาสที่ควรจะทำํำอา ร, การักขาศาลาสอนสาวพวกอย่างนั้นว่ควรจะสั่งสมบุญมากๆเพราะความเป็นไปในโลกหน้านั้นเราไม่สามารถพึ่งพาอะไรได้เราจะพึ่งพาได้แต่บุญเท่านะั้น แล้วเมื่ออารักษศาสดาสอนสาวกสอนลูกศิษย์จนถึงลับชีวิตไปศาสดานั้นไปสู่สุคติสาวกและลูกศิษย์นั้นก็ไปสู่สุคติตามศาสน์คำสอนเพราะเขาเพื่ตามหลักคำสอนไปเหมือนกันแต่ศาสดานั้นไม่สามารถทำให้คนหยุดทนได้ผู้เจ้าพนักตักว่าอารักษศาสดานั้นก็เป็นการสอนที่ดีอยู่สอนในหลักที่ถูกต้องแต่อารักษศาสดาลืมสอนอยู่เรื่องเดียว เรื่องอะไรท่านสอนเขสอนเรื่องอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความแปรปวนความไม่คงคนถาวรความไม่อยู่ในภาวะอังสมแต่ลึื่องความเรื่องอนนาตาแม้จะไม่เที่ยงแม้จะไม่คงคนถาวรสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราตัวนี้อารักษศาสนาไม่ได้สอนที่อารักษะศาสนาไม่ได้สอนเพราะว่าอารักษศาสนาไม่ได้ตรัสรู้คือเห็นความไม่เที่ยงในเหตุ เห็นความเป็นทุกข์หรือว่าอยู่ในสภาพโดยไม่ได้ของสรรพสิ่งไม่สามารถคงที่ตั้งมั่นได้อย่างเท้าวอแต่สอนความเป็นมิใช่ตนนะสอนไม่ได้ถึงแม้จะมีเที่ยงก็ยังเป็นของตนอยู่นะในความรู้สึกไม่คงคนเท้าวอลแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นตนอยู่อย่าแต่พระศาสดาเรามาสอนไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็มิใช่ตนอนาตตาคือสิ่งที่มิใช่ตนไม่ใช่ตัวเรา นี่คือข้อแต่กต่าง ใ, ในความหมายทีนี้หลักธรรมมันมีว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกแล้วก็ทุกอย่างก็ไม่มีตัวตนของมันเองแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนของใครแต่เราก็ไม่ใช่ตัวตนของสิ่งนั้นสึ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือสิ่งที่บ่งชี้แล้วว่าเป็นหลักธรรทีนี้มันมีหลักการปฏิบัติขึ้นมาคือคนที่รับทราบรับฟังก็อยากจะให้รับทราบรับฟังหรือว่า ที่พูดผู้พู ด, พดหรือผู้ผูเทศนี้อตาตมานี้ไม่ได้พูดไปเพื่อทำลายหรือผาดพิงใครหรือว่ามุง่งใส่ร้ายป้ายสีใครแต่พูดถึงความจริงที่มันมีอยู่และความเป็นที่เกิดขึ้นและสิ่งนั้นมันมีมาให้ได้รู้ได้เห็นซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยรับรู้รับทราบได้เห็นคือมีคนคนหนึงมาหาตามาแล้วก็มามาสอนน า, นานธรรด้วยเขาบอกว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นาานักตาบด เมื่อมันเป็นอนัตตาหมดคือไม่ใช่ของเราสักอย่างเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเมื่อเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเราก็แค่รู้ว่าเป็นอนาาัตตาแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรสบายมันเป็นอนาาัตตาชีวิตของเราทั้งหมดตั้งแต่มันเกิดจนวันตายเป็นอนาาัตตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราทั้งหมดเขาก็ถือการปฏิบัติในเรื่องของอนาาัตตาอนัตตนั้นเป็นหลักคําหลักคำหนึงถูกไม่ผิด แต่เป็นหลักธรรมที่จะต้องผ่านการกันกรองด้วยการขบคิดพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากอานิจจังทุกขังเราถึงจะรู้จักอนัตตาแต่ในคนคนนะั้นเขามาพูดถึงอนัตตาอย่างเดียวทุกอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาอนัตตาอนัตตาําว่ า, า, า, า, า, าเขาพูดผิดไหมเขาพูดไม่ผิดเขาปฏิบัติผิดไหมก็ไม่ผิดแต่ความเข้าใจของเ้าผิดซึ่งมันเป็นความเข้าใจในส่วนตัวที่เาขายกข้อมาหาหลักธรรมซึ่งดึงหลักธรรมเข้าไปเป็นเป็นหลักปฏิบัติ หลักธรรมมันมีอยู่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่คนคนนั้นก็บอกว่าเขาเรียนรู้เฉพาะอนัตตาเพราะอนัตตาเป็นตัวบทสรุปของอนิจจังแล้วก็บทสรุปของทุกขังทุกขลักษณะเขาเลิปฏิบัติแต่อนัตตาจึงมีสายการปฏิบัติทางอนัตตาขึ้นมาไม่ต้องไปทำอะไรกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพราะมันไม่ใช่ตัวของเราเราไม่ต้องไปทําอะไรแล้วปฏิบัติอย่างไงบอกไม่ได้ปฏิบัติอะไร พ่อรู้วอยู่แล้วเป็นอนัตตาจะไปปฏิบัติอะไรถามว่ารักษาชีวิตไหมก็ไม่ต้องไปรักษาให้ทานไหมก็เขาบอกว่าเดียให้ทานแต่เขาบอกว่าเขาก็มีการให้แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการให้ทานเพราะมันเป็นอนัตตารักษาชีวิตไหมมันก็รักษาแต่เขาก็รักษาในส่วนที่เขารักษาเขาบอกว่าแต่การรักษานขาไม่ได้ถือว่าตนเองเปผู้รักษาเพราะมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนของใครเขาจะตั้ความเห็นว่าเป็นอนัตตาอนัตตาอนัตตาอย่างนี้ตลอด อาตมา ก, ก็เลยบอกว่าเอ า, อางี้กันแล้วกันหากหากว่าเรายึดถืออนัตตนั้นเป็นแก่นในการปฏิบัติหรือเป็นยอดของการปฏิบัติถืออนัตตาย่างเดียวอนาตาัตตากอย่างเป็นอนัตต์ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของเราแม้แต่ตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับตัวเราอย่างเงี้ยคือผู้ดง่ายๆว่าเป็นวิธีการที่ง่ายเพราะบางคนต้องไปนั่งขำบัคําเม่นในการพิ่งอินิสปิยนาร่างกาย พีนว่าอันนี้เป็นอธิจัรอย่างนี้อันนี้เป็นทุกขลัรษณะเป็นทุกขังเป็นทุกอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยไปนั่งทําเป็นแบบเพ่งเพีย<ม>นอวาเพลิโอ้ทากิจต่างๆ น, นๆานาไรไรอย่างนั้นยุ่งยกากลำบากเขาบอกอนัตตาเลยทีเดียวไม่ต้องไปยุงย่งยากเลยเป็นอนัตตาหมดมันก็หมายถึงว่าอาตมาเขาพูดเพราะว่าตามหลักธรรมแห่งไตรลักษณ์เขามาไตรลักษณ์ มันกำหนดไว้ชัดเจนว่าลักษณะสามไตรประสาทลักษณะก็คือลักษณะสามลักษณะสามนั้นจะไม่แยกกันเป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ได้ลักษณะแรกคือไม่เที่ยงลักษณะที่สองเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละจึงไม่คงคุณถาวรแล้ว่าทุกคัลักษณะอันแรกเรียกว่าอธิจารลักษณะลักษณะแห่งความไม่เที่ยงอันที่สองทุกคันลักษณะลักษณะแห่งความไม่คงคนณถาวร หรือไม่สามารถคงที่ในตัวของตัวเองคือจะคงที่ในสักหนาหนึ่งก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงในต่อดเวลแปลงกลุม่มในเลยดเวลาอณัตตาลขณะหรือนน ล, ลักษณะที่แสดงออกถึงความมิใช่ตนของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ไม่เที่ยงอันนั้นย่อมไม่คงคนทนถาวรและอะไรก็ตามที่ไม่คงคนทนถาวรอันนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนของมันเองหรือไม่มีตัวของมันเองโดยทั้งหม พาไปยึดคำว่าอนัตตาโดยคำว่าที่ไม่ใช่ตัวของมันเองอยู่แล้วโดยความเห็นอย่างนั้นเราก็ต้องยึดถือด้วยว่าแม้กระทั่งความคิดที่ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาความคิดนั้นก็เป็นอนัตตาคือความคิดนั้นก็ไม่มีตัวของมันเองเราจะไปยึดถือความคิดนั้นว่าเป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตามองทุกอย่างคือเรียกว่ายึดถือทิฏฐิ ยึดถือการปฏิบัติโดยความเห็นคือยึดถือทิฏฐินั่นเองยึดถือความเห็นอันนั้นนั่นเองโดยอาศัยความเห็นนั้นเข้าไปยึดเข้าไปถือเข้าไปปฏิบัติว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาการเข้าไปยึดถือความเห็นยึดถือทิฏฐิใดๆก็ตามเพื่อเอาไปใช้ในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งการยึดถือนั้นเป็นอัตตาอยู่แล้วในตนเองแต่เขาก็ไปดรู้เขาบอกว่าใช่ อ น, นั้นเขาก็พิจารณาเป็ น, นหน้าตาเหมือนกันเราะว่าอย่างนี้คือไม่มีตัวตนถามว่าการพิจารณาว่าไม่มีตัวตนเกิดขึ้นดได้ได้อย่างไรก็ต้องเกิดขึ้นมาด้วยการยึดถือว่าไม่เป็นตัวตนการยึดถือว่าไม่เป็นตัวตนนั้นก็คือยึดถือด้วยทิฏฐิเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันมีทิฏฐิซ้อนทิฏฐิมันมีทิฏฐิแทรกทิฏฐิมันมีทิฏฐิ Mort อยู่เหนือทิฏฐิในแต่ละขณะจิตอยู่เขาไม่เข้าใจเขาก็บอกว่า แต่ยังไงก็ตามเขาจะเห็นเป็นทุกอย่างเป็นอนาัตตาหมดเคราะอะไรเนี้ยจะมาแบบไห น, นจะมีความคิดแบบใดชนใดก็จะเห็นเป็นอนัตตาหมดนั่นคือทิฏฐิที่เขายึดถืออยู่ซึ่งคนประเภทนี้จะอธิบายหลักทํำยังไงก็ตามให้เขาเข้าใจเขาจะมีทานเข้าใจได้เลยเพราะทิฏฐิอันนี้บังขาอยู่เขาจะทําอะไรเป็นอนัตตาหมดเหมือนกับละลายความรู้ทุกอย่าเป็นอนัตตาหมดเพราะฉะนั้นการสุนานาธรรมจึงไม่สามาร ถ, ถสุดนานามันไปได้จึงได้พูดคุยกับเขาในทํานองเป็น ป, ประมาณอุปมาอุปมัยว่า ถ้าอาตมาให้โยมกินข้าวโยมไม่ต้องกินข้าวคำแรกไม่ต้องกินคำที่สองให้โยมไปกินคำสุดท้ายให้หิ่มเลยคำเดียวคำสุดท้ายให้หิ่มเลยคำแรกไม่กินคำสุดคำที่สองไม่ต้องกินคำในระหว่างนี้ก็ไม่ต้องกินข้าวนะคำที่พระจิมคำสุดท้ายใหกินคำนั้นแหละเอาคำที่พระจิมนั่นคำเดียวเลยพูดง่ายว่า ค้าวคแรกคุจะไม่กินข้าวคำที่สองคุณจะไมกินคำสามคำสี่ก็จะไม่กินจะไปกินสมมติว่าอิ่มคำที่ยี่สิบกินยี่สิบคำอิ่มเอาเอาคำที่ยี่สิบนั่นกำหนดหม้ไปเลยว่าอ๋อนี่คือคำยี่สแล้วกูจะกินคำนี้แหละเป็นคำที่ยี่สิบกินแล้วไปอิ่มเลยในคำนั้นมันจะอิ่มไหมก็ก็บอกว่ามันเป็นอนาตตาเนี่ยลวปะคุยกันไม่รู้เนี่ย ซึ่งซึ่งซึ่งหลักการนี้มันเป็นมันเป็นข้อข้อที่ทำให้มาทำให้ต่มาได้นามาคิดว่าข้อปฏิบัตินี้ก็ยังมีคือมันมีขึ้นมาโดยที่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดมีข้อปฏิบัตินี้ขึ้นมาได้มันเป็นหลักอย่างหนึ่งที่ที่ทำให้ ลักษณะของผู้รู้ศาสนาได้ถูกปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องที่อาตมาบัวว่าไม่ถูกต้องนั้นอาตมามีอะไรเป็นเครื่องวัดหรือใช้ความรู้สึกของตัวเองเองมันไม่มีความรู้สึกใดๆต่อต่อขอ้อปฏิบัตินะั้นแต่ในหลักธรรมที่ได้ศึกษา <c oughs> ปกติความปวดมันไม่ใช่เรื่องมันเป็นอาการหนึ่งที่จะ้แสดงออกต่อจิตที่ทําให้เราต้องรับรู้รสชาติอย่างเงี้ยความโมโหความหงุดหิดหงเฉียวลําพานเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องเกิดแล้วเราก็ถ้ามันไม่เกิดขึ้นมาให้เรารับรู้รสชาติเราก็จะไม่รู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงเมื่อไม่มีการรู้ตามความเป็นจริงเราเจ้าไม่มีการตัดสรินจะไปตัดสรนไได้อย่างไรใครมาด่าก็ไมโกรธใครมาบ้าก็ไมโกรธใครมาทําให้ขัดเครืองโมโหลาพานก็ไม่ดิรู้สึกขัดเครืองลาพาน จิตก็เฉยเป็นอุเบกขานิ่งผู้เจ้าบอกว่าอันนั้นเป็นอุเบกขาที่ควรเป็นเพราะมันไม่ได้นําไปเพื่อปัญญาคนคนนั้นจะมีการพิจารณาอะไรเลยจะไม่มีการรู้โทองความทุกข์เลยวันนี้คือทุกนี้คือเห็นได้เกิดทุกข์แล้วก็จะไม่รู้ว่ามันมีความทุกข์อยู่ในโลกเมื่อมีามเพระันเขาไม่รู้ว่ามีความทุกข์อยู่ในโลกเขาก็จะไม่สามารถควบคืดตนเองให้หนีออกจากกองทุกข์นี้ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นทุกข์เจ้าชายศรีษะโพองอยู่ในราชสมบัติ ที่สุขสบายทุกอย่างแต่พระองค์มองเห็นชาวประสมนิกรมีความทุกข์พระองค์ก็รับทราบความทุกข์อันนั้นมาจนนําไปสู่ทางที่พระองค์ออกไปสแสวงหาโมฆะธรรมเป็นเครื่องผลักดันให้พรมหาคำถางว่าอะไรที่จะพาชนเหล่านั้นให้พนจากความทุกข์ได้ซึ่งไม่ใช่ความทุกข์ของพระองค์นะเป็นความทุกข์ของคนอื่นไปเห็นข้อแก่ข้อเจ็บข้อตายไปเห็นคนถูกรมทานเขามีความทุกข์ เอาความทุกข์ของผูออ้ด่นมาเป็นเครื่องพิจารณาทําอย่างไรถึงจะสามารถพ้นไปจากความทุกข์ได้โฟงก็เอาตัวนี้เป็นโจทย์นําไปสู่การพิจารณาใช้เวลาบางปีหรือตั้งหกปีจึงเกิดการสำรวจว่าทุกเป็นมีมาเพราะมีเหตุแล้วเห็นที่เกิดขึ้นดับได้ไหมดับได้ดับโ ด, บ ด, บดยการลรักเอียดอันนั้นเหตุที่นําไปสู่ความเกิอดอีกเมื่อดับได้การดับนั้นควรดับดับอย่างไร ดับโดยการไม่เพิ่มตัณหาไม่เพิ่มความอยากในภาวะของชีวิตที่เป็นอยู่แล้วดุจในชีวิตใหญ่ใช้ตัณหาถ้าใช้ตัณหาก็เท่าเป็นการทพิทุกข์ใช้ปัญญาใช้การความความที่นิพพิจารณ์ไตรลุยมันเริ่ดับนะแล้วนั่นแหละคือหนทางที่จะเปิดไฟตัวความคือการรู้จักทุกข์รู้จักให้มันเกิดทุกข์รู้ความจับไฟของทุกข์แล้วก็รู้จักทำมปฏิบัตม่เพิ่มความทุกข์เราจะต้องมีข้อปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่เฉยไม่ใช่นิ่งไม่ใช่ไม่รับรู้อะไร ไม่ใช่โดยไม่ไม่ไมไมไมรับทราบอะไรทั้งสิน้นพระองคก็รับทราบแม้พระอกค์แต่รู้แล้วเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นสมะสามท่าแล้วพระค์ก็นับทราบความทุกข์อันที่มีอยู่ในใจคนแล้วปารากฏธรรมเพื่อที่จะสอนธรรมะเพื่อแก้ไขทุกข์ในจิตใจคนให้คนได้เข้าใจและนําไปสู่การปฏิบัติพระองค์อกะชีทุกเนี่ยให้เป็นเป็นจุดในการที่จะเรียกว่าเป็นชนวน ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่จะทําให้เรารู้เราทุกข้ออะไรบ้างในชีวิตขอเราอย่างเงี้ยพวกก็สืบสาวหาทุกและก็มูลเรณาเห็นทุกในตอนเราจะดับทุกนั้นด้วยอํานาจที่เราจะไม่ใช้ตัณหากับสีนะเราจะไม่ใช้ความอยากอยากไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมีแต่เพิ่มทุกก็ไม่ต้องใช้ความอยากเพราะนั้นเจอความทุกแต่ละครั้งอย่าใช้ความอยากบอกตัวเองไว้สมมอว่าอย่าใช้ความอยากหรือแม้แต่ไม่อยากให้มีความทุกเกิดขึ้นในใจก็เป็นความอยากชนิดหนึ่ง มีคนด่าแล้วไม่โกรธเขาก็เป็นการใช้ความอยากแบบหนึ่งแต่คนก็ไปรู้ว่าเป็นการใช้ความหยาบแม้ไม่มีจิตตอบสนองต่อการกระพกต่ออารมณ์ใดๆนิ่งเฉยอยู่ได้อันนั้นมันไม่ขอให้เกิดปัญญาอะไไปดูนะในหลักคำสอนทุโธทรงกล่าวไว้คู่เบคค่ที่ควรเว้มีอะไรบ้างคูเบคค่ที่ควรเว้อันนี้ก็อ่านผ่านๆมาเหมือนกันแต่ สะดุดใจก็เลยจับมาเป็นประเด็นว่าอุเบกหาที่ควรเบ้นก็มีหมายว่าความเฉยเมยความวางใจวางเฉยอยู่กับเรื่องราวต่างๆทางอายตานัที่ผ่านธรรมตามู้จะหมูหินกายใจคือวางทุกอย่างได้ภายในใจโดยที่ไม่มีการปฏิบัติต่ออารมณ์นั้นตามหลักอริยสัจสีวันนี้คือพรุคนี้เห็นเกิดทุกมีความหลับไปของทุกนี้ทางปฏิบัติที่เป็นความหลับทุกไม่ปฏิบัติตามหลักอริยสัจอย่างนี้นั่น ก็คืออุเบกขาที่ควรเว้นแม้จิตจะนิ่งจะเฉยจะไม่ตอบสนองกับอะไรเหมือนกับว่ามีสุขและผ่มใจได้และเบาใจอยู่กับตัวเองสงบใจกับตัวเองนั่นก็เป็นอุเบกขาที่ควรเว้ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในหลักธรรมเท่ศาสนานี่ถ้าจะสอนเหตุผลในหลากหลายอย่างที่เราจะต้องเข้าใจและรู้คือรู้ทุกบุคนคลุกเรื่อ รู้เหตุให้เกิดทูกขว่าเป็นของคนละรู้ความดับไปของทุกข์ว่าเป็นของคนทำให้แจ้งรู้ทําปฏิบัติให้ถึงความในทุกข์ว่าเป็นของควรเจริญขึ้นตรงนี้เนี่ยที่เราจะต้องทำความเข้าใจเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรที่เราควรกำหรู้อะไรที่เราจะต้องละอะไรที่เราควรทําให้แจ้งและอะไรที่เราควรจะเจริญขึ้นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเปเจริญทุกขึ้นแล้วก็ไปลกมัาไปละข้อปฏิบัติอย่างเงี้ยไม่ใช่ข้อปฏิบัติเป็นสิ่งที่ควรเจริญขึ้นแต่ทุกไม่ต้องไปละนะ ี้ทุกมันรักไม่ได้ทุกมันเป็นเป็ น, ปนมันเป็นตัวก็เราเป็นโจทย์ให้เราได้ตีตีตีตีค่ามันออก ม, มาว่ามันมาจากเหตุอะไรแล้วก็เข้าใจมาทําความเข้าใจก้อนเป็นทุกที่ติดอยู่เป็นสิ่งที่ดีอยู่เป็นความจริงที่เราหยิบเรียกไม่ได้แต่เหตุให้เกิดทุกเราจะไม่สร้างเพิ่มก็แน่คือสิ่งที่เราจะต้องลักเพราะฉะนั้นแม้หลักธรรมดีอยู่ แต่หลักธรรนี้มันถูกเข้าใจตามความรู้สึกของคนมันเลยทําให้หลักคํานั้นถูกโยงไปตามความรู้สึกของคนและก็มีคนที่เลือกใสในหลักปฏิบัติที่บางครั้งไม่ตรงกับหลักคํามสองแล้วคนก็เลือกใสแล้วก็ถือปฏิบัติตามแล้วก็มีคนถือยึดถือเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหลักปฏิบัติที่ง่ายๆที่คนเข้าใจว่าหลักปฏิบัติจิตบูรณากมันดุจยาก คอยมากำหนดรู้ว่าน้ำคือทุกนี้วหินที่เกิดทุกนิความดับไปของทุกนิ้คือทำปฏิบัติที่มีความดับทุกคอยมากําหนดว่ากายเป็นธาตุสีอย่างนั้นอย่างนี้จิตเป็นนามขันสอย่างนั้นอย่างนี้อมจุ้งยากกว่าจะทําได้ก็จะรู้ทันกว่าจะมีสติกว่าจะไปมีเวลาในการทํายากเหลือเกินอยากจะได้วิธีง่ายๆก็มีคนมาถามมาตามมาพึ่งการมีวิธีง่ายๆถ้าอาจารย์มีวิธีง่ายๆในการประพฤติปฏิบัติตไห้เอาง่ายๆนะอะไงยากนี่ ซึ่งประโยช์จะไม่ค่อยถนัดอยากจะได้วิธีง่ายๆจากท่าอาจารย์พระอาจารย์แนะนำหน่อยธรรมาก็รู้อะแล้วธรมาขอแนะนําว่าวิธีที่ง่ายนั้นมีไว้สําหรับคนมักง่ายแล้วก็ใครที่ใช้วิธีง่ายๆก็จะได้ผลแบบคนมักง่ายได้ง่ายไได้ง่ายๆสงบใจแบบง่ายๆเบาใจแบบง่ายๆบรรลุถึงธรรมแบบง่ายๆก็มีก็ได้ แต่มันไม่ใช่หลักคําสอนแต่ไม่ให้หลักปฏิบัติทางศาสนาแต่ไม่ใช่าราครับคนที่มัก ง, ง่ายมักจะมาหาวิธีการง่ายๆจําไว้เวลยว่าไม่มีวิธีไม่มีวิธีการง่ายๆเดดขาดในทางศาสนานี้พระุทธเจา้าเขาใช้เวลากปีไม่ง่ายเลยพระอริยสงสารบุกบางองค์เขาใช้เวลา60ปีไม่ง่ายเลยเขาบอกว่าอยากฟังแล้วบรรลุแบบทั้งพุทธการที่ฟังต่อหน้าพระเจ้าแล้วบรรลุเนีน่ยมาทำไหนะ ฟังแบรรลุมันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกว่าฟังแล้วจะบรรลุหรือม่บมันเป็นปัญหาว่าเราเข้าใจในสิ่งที่ฟังแค่ไหนหากเราไม่มีความเข้าใจอะไรเลยภายในกิิตแล้วเรามาฟังแล้วต้องกให้บรรลุมันมันเป็นไปไม่ได้มันมันขัดกับหลักเกณฑ์ขัดกับหลักการขัดกับหลักธรรมชาติบางคนบอกว่าเอา้าก็เคยใช้วิธีการง่ายจากครูบาอาจารย์องค์อื่นมา เขาสอนแบบง่ายๆแล้วก็ทำได้ง่ายๆเจ้เขาก็สมบรระงับอารมณ์แบบได้ง่ายๆอัตมากระหว่างนั้นก็จะไปใช้ของครูบาอาจารย์อื่นเถอะอัตมาไม่สามารถสอนยินดีการง่ายๆอย่างนั้นได้สอนได้แต่ไม่อยากให้ทําอย่างนั้นเพราะมันไม่ใช่ทางที่ถูกมันมีไว้สำหรับคนมากง่ายแล้วเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนแบบมากง่ายที่เป็นอย่างนั้นนี่ไม่กล่าวพวกพาดีง่ายนะเพราะเพราะออกตัวไว้ตั้งแต่แรกว่าไม่ได้กล่าวพวกพาดีไคคือ ทำไมเราไม่ยอมใส่ใจในสิ่งที่มันมันเป็นสาระสำคัญในทางศาสนาเราจะทําอะไรให้ไปไปเป็นความมักง่ายอยู่ตลอดเวลาโดยที่จะเอาหลักธรรมไปเป็นความมักง่ายสําหรับตนเองนะมันใช้ไม่ได้อาตมาถือว่าใช้ไม่ได้สำหรัคนที่จะนําหลักนําไปสู่การปฏิบัติแบบคนมักง่ายคนประเภท น, นี้มีไหมในทางพุทธการมีเขาเป็นใคร พโมกขนาดนั้นไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็พยายามให้อุบายที่ดีในการอฏิ อะไรแล้วนำำําคํานี้ไปปฏิบัติโดยการอะไรก็ไม่รว่คกูไม่ถือมั่นอย่างเดียวอันนั้นโง่อันนั้นเป็นการมากง่ายปฏิบัติแบบมากง่ายโดยไม่รู้ว่าอะไรคือธํามทั้งปวงทําไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจว่าอะไรคือธรรทั้งปวนแล้วไปปฏิบัติโดยการเอาปล่อยวางเป็นไม่ควรถือมั่นนั้นก็ไม่ควรถือมั่นอันนี้ก็ไม่ควรถือมั่นอันนั้นกิจคือไม่ได้ใช้สติปัญญาอะไรเลยการที่จะไปสู่ลหลหักผลแห่งการบรรลุที่ถูกต้องมันต้องเป็นไปด้วยประกอบไปด้วยสติปัญญา แต่การปล่อยวางรวยที่ไม่ใช่สติปัญญาเองเป็นการปล่อยวางแบบง่ายๆแบบแทบจะไม่ได้ไม่ได้มีการฝึกฝนไม่ได้การผบกลมจิตใจไม่มีการสร้างภาวะนแห่งความรู้ขึ้นมาภาในตนถามว่าทำไมขีดข้อมบลังับได้ถ้าไม่มีผลแล้วทำไมขิตสมบุกรมบัตได้ไอความสมบุกสับมันทําได้หมดทําแบบไหนก็ได้ความสมบุบมมบบกมสมบัต แต่ในความหมายของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าให้สงบระงับในความหมายของพระองค์ก็คือว่าจุดมุ่งหมายของพระองค์คือละความเห็นผิดทั้งมวลจิตรู้กระแสพระนิพพานและก็รู้อริยสัจสนี่คือหลักคําสอนไม่ใช่ว่ามีอะไรมากระทบระวงังรู้ระวงังรู้กระทบระวงังรู้กระทบระวงังรู้กระทบระวงังใช่วางได้ในขณะนั้นแต่มันไม่ใช่การวางโดยการดับที่ต้นนี้ มันเป็นแค่วางตัวปัญหาที่มาถึงตัวเองแล้ววางวางปัญหาที่มาถึงตั ว, วเราก็้วางมันกระทบวางมันกระทบวางปัญหาคือผู้เจ้าให้ให้หนูกระทบปุ๊บรู้ว่าปัญหานี่คือคืออะไรเหตุอะไรเกิดปัญหามาจากอะไรความดับไปของปัญหาจะดับอย่างไรถ้าปฏิบัติให้ถึงการที่จะเข้าไปดับปฏิบัติอย่างไรนั่นคือความฉลาดนในทางพระศสาสนาไม่ใช่กระทบปุ๊บรางกระทบปุ๊บรางไม่พิจารณาไม่ใช่ควรไม่ ไม่วิจัยไม่มีธรรมาวิจัยเมื่อไม่มีธรรมาวิจัยธรรมะวิจัยในบทของโคดชมมันจะมีข้อที่สองข้อแรกสติคือระลึกรู้ในสิ่งที่มันระลึกรู้ภายในตัวเองคือรับทราบอยู่ภายในกายเบีนานจิตทรรมูกกระทบแล้วกายกายกระสับกระสายผูกกระทบแล้วกายคงที่ไหมกายนิ่งไหม เมื่อกายคงที่แล้วเวทนาตีกคั้นเวทนานที่เกิดมาทางกายมีไหมจิตเป็นยังไงเมื่อถูกเวทนาตีคันจะเป็นสุขก็ทุกข์ก็ตามจิตอย่าไปดินด้นรนหรือจิตเกิดการดิ้นรนกรสับกระ ส, สายจิตที่ดิ้นรนกระสับกรสายนั้นจิตเป็นสุกเป็นทุกข์เป็นฟองฟุ้งสัน้นเป็นหดนุดหงิดเป็นโมโหเป็นลำพังมีราค า, ข reading, ขาตัวสาวมหาหรือเปลก็รู้จิตเมื่อรู้จิตว่าขนาดนั้นจิตเป็นกุศลหรออกุศลกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเพียงแค่อารมันึ่กระตทบ สติปัฏฐานสีต้องพบวิจัยอย่างนี้กายเป็นยังไงเวทนาเกิดขึ้นทางกายหรือทางจิตอย่างไรจิตของเราดิน้นรนเดือดร้อนอยู่ในภาวะอะไรอารมณ์ะอะไรเป็นอยู่ครอบงำอยู่ราคาตัสามโมหนะมันเกิดและมันดับอย่างไรวิจัยอย่างนี้แล้วกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมประกอบจิตอยู่ในเวลาวิจัยอย่างนี้ธรรมวิจัยสติธรรมวิจัยก็คือการวิจัยในธรรมวิจัยแยกแยกกายเป็นธาสี่แยกแยกจิตเป็นนามสี่ แยกแยกอารมณ์แยกแยกทำต่างๆที่ประกอบกิจในเวลานึ่งเมื่อมีการแยกแยกอย่างนี้นะธรรมวิจยะก็เป็นอะไรโพชฌงเจ็ดสติ 2. ธรรมวิจฉาญาติสามวิริยะก็จะเกิดความภาคเพียรในตัวเองคือภาคเพียรที่จะรู้ภาคเพียรที่จะดู9ภาคเพียรนิพนธ้าเป็นความก้าวิริยะมาจากคำว่วีรัต้า ถ้าแห่งความกล้ากล้าอะไรกล้าเผชิญกับความทุกข์ไม่หนีทุกข์ทุกข์กระทบปั๊บไม่ได้่าไปรับมันไม่รับไม่ไม่รับแต่รับมาเรียนรู้กล้าที่จ ะ, ะเผชิญกับมันว่ามันมาจากเหตุอะไรเหตุอหไรทุกข์คนที่เผชิญกับทุกข์แล้วเรียนรู้ทุกข์แล้วก็ยอมรับทุกข์แล้วกล้าเผชิญกับมันมันจะทําให้เราไม่ขี้ขันไม่บาดกลัวต่อสิ่งใดไม่หบาดไวตัวสิ่งใดแต่คนที่เห็นความทุกข์ เป็นไทยแต่ไม่กล้าปเผชิญรีบดับมันรู้ระละักรู้ระดับรู้ระดับเขาจะไม่กล้ า, าเผชิญความุกข์เขาจะไม่รู้ว่ารสชาติแห่งความทุกที่เขามาสั่งัดตัวเรานะเราจะใช้สติปัญญากับมันแล้วเราผ่านพ้นไปได้ด้วยสติปัญญาแลา้วสภาพแห่งจิตมีความเข้มแข็งต่อภาวะแห่งการประชิญนั้นอย่างไรเขาจะรู้แต่คนที่เขารับรู้ทุกระดับรับรู้รละละู้รละลักรู้ระละักรู้ระลักรู้ระลักรู้ระวางรู้ระหว่างรู้ระหว่างเขาจะไม่รับรู้ แลเราจะไม่ทราบว่าสภาพจิตภายในใจของเขาเข้มแข็งต่อในขณะที่มาเชิญ ก, ก, กับความทุกอย่างไรแล้วก็สะทบสะทานหั่นไหวกับความทุกข์อยู่เสมอไม่กล้าให้ความทุกข์เข้ามาถึงตัวเองแต่พระพุทธเจ้าพระนิดาเจ้าไมด้ไม่ได้กลทุกจะ อ, อะไรเข้ามาท่างกล้ามาเชิญวิริยะคือกล้ามาเชิญคือธาตุแห่งความกล้าหวิริยะเราแปลว่าความภาคเดียร์มันก็ได้นะ มันคือความภาคเพียรก็ใช่เป็นความภาคเพียรภาเคาเพียรคือความกล้าหาญนั่นเองถ้าคนไม่กล้ ורה, at at at at at at าก็ไม่ภาคเพียรภาคเพียรที่จะเจอมันแต่ไม่ใ <Advanced"> ช <Después problema> ่แสวงหาทุกหรือไม่ใช่แสหาทุกอะประเภทนั้นไม่ใช่ะคือแม้ความทุกข์กระทบก็ภาคเพียรที่จะเรียนรู้กำหนดรู้ว่านี่คือทุกนี้คือเหตุที่เกิดทุกนี้คือความดับไปของทุกนี้คือตามปฏิบัติให้มีความทุกขเมื่อมีความภาคภาคเพียรวิริยะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ตีติตีตี สังเกตว่าเวลามีความตั้งฐานที่จ ะ, ะเผชิญกับทุกข์นะความทุกข์ที่เป็นความบีบคั้นมันจะแปลเปลี่ยนไปเป็นปีตินี่คือความจริงมันมีปีติจริงปีติมันเกิดขึ้นมาหลอเลี้ยงใจคนที่เผชิญกับความทุกข์เขาจึงมีหนีทุกข์เพราะวาะ่มันมีปีติรออ ย, อยู่แต่ไม่ใช่ว่าเผชิญกับทุกข์แบบดื้อๆเผชิญกับเผชิญกับทุกข์แบบซื่อๆอะไรแบบนั้นนะ คือต้องเผชิกับผูบค้คนกันสติมีธรรมะวิจัยแล้วก็เผชิญกับสิ่งที่เป็นความทุกข์นั้นโดยมีใจกล้าไม่หวั่นไหวแล้วจะเกิดปีติยิ้มได้เมื่อมีความทุกข์มาถึงตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงเมื่อมีปีติแล้วก็เป็นปะสะัสสติปัสสมุปะระบบ ง, งับมันระ ง, งับเงีง นั่นความสม บ, บรูระฆับมันมาต่อจากหลังเกิดจากปีติแล้วไม่ใช่ว่ากระทบระวังสมบบระฆับแล้ว ย, ยังไม่ทช่พิจารณายังไม่ได้ใช้สติยังไม่ได้ใช้ธรรมวิจยายัดยังไม่ใช้ความวิริยะเลยรู้ระวังกระทบระวังรู้ระละรู้ระวังรู้ระวังเมื่อไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ธรรมวิจยายัดไม่ได้ใช้วิรยิยะ แม้จะสงบระงับก็เป็นความส ม, มงบระงับแบบผิดและไปเข้าใจความสมมงบระงับว่าเป็นผลก็คือผลนั่นแหละก็ถูกต้องแต่เป็นผลที่ไม่ได้มาตามเหตุปัจจัยที่ถูกต้องเป็นผลที่ที่เขาทําอย่างนั้นได้มันก็มีผลเหมือนกันแต่ไม่ไม่ได้เกิดไม่ได้ผ่านสติปัญญาของตนเองไม่ได้ผ่านธรรมวิจัยมันจึงเป็นผลที่ผิดเมื่อเกิดมีความส ม, มงบระงับแล้วก็มีสุขก็มีสมาธิ มีสุไในโง่ของโคตรชั่วปัตสติแล้วก็สมาธิใช่ไหมครัจริงๆในในปัต ส, สตินั้นก็คือสุจริงๆในสุแต่ถ้าจะไม่พูดว่งสุคือเขาก้าข้ามไปถึงสมาธิเลยจริงๆมีสุอย่ในนั้นเสุแล้วก็เป็นสมาธิสมาธิพวกจิตตังค์เพราะฉะนั้นเวลาภาชนุกับเรื่องอะไรก็ตามถ้ายิเจ้าจะไม่หนีภูมแล้วก็จะกล้าภาชนุกุบุกแล้วก็ภาชนุจิตตั้ง แล้วจิตท um mm hmm. ี่ตั้งมั่นในการรูเชื่อนั้นก็จะเห็นจริงแค่ทุกข์เป็นของเกิดดับเกิดดับเกิดดับจิตที่เห็นเกิดดับนั้นอยู่เสมอจับสามารถตัดสรุปได้จําไว้เลยนะตรงนี้นะการตัดสรุปเกิดหลังจากการที่เห็นเกิดดับของอารมณ์การที่จะเห็นการเกิดดับของอารมณ์ได้จิตต้องเป็นสมาธิตั้งมั่นจิตจะเป็นสมาธิตั้งมั่นได้ต้อมาจากปัจสถานสงบนะครับสงบระงัดจะเกิดขึ้นได้ก็มาจากปีติปีติจะเกิดขึ้นได้ก็มาจากวิริยะ วิริยะจะมาได้ก็มาจากธรรมะวิจยญาณธรรมะวิญญาณจะเกิดนั้นก็ต้องมาจากสติเพราะฉะนั้นเจอเอารมณ์ะกะพบครั้งหนึ่งกระบวนการแห่งพอดชงจะต้องอเกิด 6-7 ไม่งั้นไม่สับสนเด็ดขาดยืนยันอย่างนี้ไม่ใช่มาอ่านน้าตาหน้าตาหน้าตาอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้พูดแรงไปหรือาาเปล่าไม่แรงครับก็มันทําคนก็ลล่ามัน ก็โอเคไม่ได้เทดออนนนะนี่เทดออ